ทำมาตามสบายเช้านี้บรรยากาศ ก, ก็ยังหนาวอยู่เมื่อกี้ก่อนมาทําวัดอรมา ก, ก็ดูประลอดวัดอุดรภูมิที่กุฏิประมาณสิบห้าองศาอันนี้เป็นความหนาวหลงฤ ด, ดูปกติตอนนี้เป็นหน้าร้อนแล้วรสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ไม่ได้อยู่ใต้อํานาจฝามควบคุมของเราเมื่อจะไปดินฟ้าอากาศเป็นคนรอบข้างที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยรู้แต่มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้น สิ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับควาเป็นจริงเมื่อกี้เราก็สวดมนต์อภินาจปัจจเวกบทนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยจะเห็นสัจธรรมชีวิตเหตุวิชีของเราเนี่ยจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดภาคจากของรักของชอบใจทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็ต้องไม่ประมาทพิจารณาบ่อยๆ อ, อันนี้ช่วยได้ ช่วยเราเน่ยไม่ประมาทในชีวิตเพราะธรรมชาติกิเลสเนี่ยมันจะหลงหลงไอฟความมีความเป็นความอยากได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสละออกสละกิเลสตัวตนเป็นเรื่องการปล่อยวางมันตรงข้ามกันอาตมาเชื่อว่าพระคุณเจ้าแม่ชีญาตโยมที่มาวัดป่าสุขัโตส่วนใหญ่มาสแสวงหาทรัพย์ภายในมากกว่าทรัพภายนอกพระพระที่มาบวชที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีแรศการะอะไร แต่ละคนก็บรคอนหาสัจธรรมกันบางคนก็เห็นทุกข์ฐานะร่ํารวยมาบวชก็มีเห็นความไม่เที่ยงชีวิตทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนของที่เรายืมมาใช้เท่านั้นเราตายก็เป็นของคนอื่นเราไม่สามารถยึดสิ่งใดได้เลยทุกสิ่งทุอย่างในโลกเนี้เหมือนยืมใช้ชั่วคราวแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับว่าของนั้นเป็นของเราจริงๆโลกเราจรึงเดือดร้อยวุ่นวาย ทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างตามข่าวหนังสือพิมพ์เราจะเห็นคนทะเลาะกันอยู่เรื่อยความเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันฝ่ายฝ่ายหนึงได้ผลประโยชน์อีกฝ่ายหนึงก็เสียผลประโยชน์อันนี้คือโลกธรรมแต่ถ้าคนมาสแสวงหาธรรมะมาสแสวงหาทรัพย์ภายในก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้สมัยพุทธกาลมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ากาละเป็นลูกชายโทโปลของ อนาปิติกาศเศรษฐีตัวเศรษฐีใหญ่เนี่ยมีลูกชายคนเดียวมีลูกสาวหลายคนกาละเป็นคนที่เจ้าสาํารานสุกสนาน ล, ลื่นเริงไม่ค่อยช่วยการงานของพ่อเท่าไหร่สร้างความอึดอัดใจให้แก่คุณพ่ออย่างมากเพราะว่าอนาปิทิกาศเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้อุปถมัมอุปถากุฎเจ้าบารุงพระพุทธศาสนาคือเป็นอุบาสกผู้ใจบุญเน่ย เป็นคนธรรมะธรมโมแต่ว่าลูกชายก็ทําตัวตรงข้ามเศรษฐีจึงคิดอุบายว่าทำไงดีจะให้ลูกชายกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนธรรมะธรมโมได้ในที่สุดก็คิดออกจึงจ้างกาละเนี่ยไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันให้ไปฟังธรรมเสร็จแล้วก็มารับเงินกาละก็ตกลงเพราะอยากได้เงินไปฟังธรรมตอนเย็นพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่วัดเชตวันก็ไปนั่งหลับ พอพระรูปเจ้าแสงธรรมจบกาลาก็กลับมาขอเงินจากเศรษฐีทุกวันคงจะนานพอสมควรจนอยู่บาวันหนึง่งอนาปิทิกาเศรษฐีก็ตกลงกาล้าใหม่ว่าถ้าฟังธรรมแล้วขอให้จำให้ได้ด้วยจะเพิ่มค่าจ้างให้ด้วยความที่อยากได้ค่าจาา้างกาล้าเอาฟังธรรมครั้งนี้จึงตั้งใจฟังมากกว่าครั้งก่อนพระรูปเจ้าพระองค์ก็เล็งดูด้วยพยานก็รู้ว่า กาลาเนี่ยมีอุปทิสัยที่จะบรรลุธรรมได้จึงตั้งใจแซ่ทำโปรดกาลาโดยตรงเลยโดยทําให้กาลาลืมกาลายิ่งจำว่ายิ่งลืมแต่พอพระเจ้าองค์แสดงธรรมจบกาลากลับจําธรรมะได้ทุกบทที่พระ อ, องค์แสดงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกาลาก็เข้ามากราบพระเจ้าองค์ประทูลนาัถนาไปฉันพระทหารเช้าพร้อมพระสงฆ์ ที่บ้านและเช้ามืดวันนั้นกาละก็มามาอุ้มบาทพระเจ้านำไปที่บ้านสร้างความแปลกใจให้กเศรษฐีมากเพราะลูกชายไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแถมยังไม่มาเอาค่าจ้างที่ตกค้างด้วยไปถึงก็กุกริวุจรนาอาหารมาถวายคันพระพุทธเจ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเศรษฐีก็นำเงินค่าจ้างเนี่ยมาให้กาละพระพุทองค์ก็บอกว่าบัดนี้ ลูกของท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับค่าจ้างแล้วเพราะมีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เพราะฉะนั้นอริยทรัพย์เนี่ยจึงสำคัญสำหรับทุกคนอริยทรัพย์มีเจดอย่างคือมีศรัทธามีศีลมีฮิริโตตปะะหุสัจจาจาคะและปัญญาศรัทธาในที่นี้ก็คือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่หลงงมงายอย่างที่เรามาบวชเนี่ยก็เพราะศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาในบวตไม่ได้หรอกไม่เชื่อว่าพระนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะดับทุกข์ได้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมสามารถให้ผลได้ถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ทําพระภะไม่มีศรัทธาจะสึกแปทนทีจิตตกแม่ชีก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาเชื่อว่าครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมได้ผลเราก็สามารถทําตามได้ใครพูดอะไรเราก็ไม่ไฝ่เผลแต่ถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ย บางคนก็บอกว่ามีอาจารย์นี้ดีก็ไปหาอาจารย์นั้นผลสุดท้ายไม่ได้ทํำเลยทุกอย่างหนึ่งคือทำเครื่องกลางก็ทิ้งการปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดผลอย่างคนมาเจิตสติแนวเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าเกิดไม่ศรัทธาหลวงพ่อเทียนไม่เชื่อหลวงพ่อเทียนเห็นธรรมจริงหลวงพ่อเขีดเห็นธรรมจริงก็เลิกทํำพอเลิกทําปุ๊บไอ้ที่ทำมาก็ไม่ได้ผลแต่ละคนที่เชื่อว่าหลวงพ่อเทียนเห็นธรรมจริงเนี่ยแล้วทำมาได้ผลจริงก็จะตั้งใจทํา ทำบ้างหยุดบ้างถึงช้าบ้างก็ไม่เป็นไรก็ยังมั่นคงในครูบาจารย์ถ้าไม่มีศรัทธ า, า ย, ยุ่งเลยศรัทธ า, าจึงเปเรื่องสำคัญแล้วศีลศีล น, นี่ก็สําคัญศีลก็คือความสํารวมกายวาจา่ายเรียบร้อยแล้วก็รักษาใจให้ปกติศีลข้อกายให้เรียบร้อยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่พิผิธนิการอันนี้คือศีลดังกายทางวาจาก็ไม่พูดโกหก พูดส่อเสียดพูดคํำยาพูดเพอร์เจอร์อันนี้คือการรักษาศีลทางวาจาทางใจก็คือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดอิจฉาลิสยาแล้วก็ไม่พยาบาทปองร้ายอาฆาตคนอื่นแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องหรือสมาธิอันนี้คือการรักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเนี่ยสังคมก็วุ่นวายเดือดร้อนคนก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวสมัยนี้เราจะได้ข่าว ลูกในละคุณเสมอเพราะว่าไม่มีศีลหรือสิทธิในละคุณอาจารย์หรือเรื่องที่ผิดศีลศีลธรรมต่างๆเนี่ยมากมายเลยแม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าลูกอีกมากมายเพราะว่าคนไม่มีศีลถ้ามีศีลเนี่ยจะทําทแบบนั้นไม่ได้เลยท่านคนมีศีลก็ทําให้สังคมเนี่ยมีความสุขเราเองก็มีความสุขไม่บิดเป็นตัวเองไม่บิดเป็นคนอื่นแล้วก็มาข้อฮีบิริคือความละอายต่อบาป หรือละอายใจในเวลาที่ทําชั่วถึงคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นถ้าเราเกิดความละอายเราก็ทําไม่ได้แล้วก็หีริโอตาปะก็คือการกลัวบาปหรือกลัวการดะตามสนองเวลาเราทําชั่วไปแล้วฮีริโอตาปะเนี่ยไปคุณธรรมของเทวดาถ้าใครรักษาสองข้อนี้ได้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาพระหุสัจจันจะก็คือการเป็นผู้พระูสูตรหรือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังบ้าก หรือผู้เรียนผู้เรียนเรียนมากนั่นเองเพราะถ้าผู้เรียนมากจะได้เปรียบคนที่ไม่เรียนจะได้รับคําชี้แนะจากครูบาอาจารย์นักปราชญ์หรือคนหาความรู้สามารถดับทุกข์ได้สามารถดําเนินนชีวิตได้ถูกต้องได้หรือแม้กระทั่งพูดผู้อื่นฟังได้แต่ละคนที่ไม่เรียนเนี่ยก็จะพูดไม่ได้คือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคนที่ได้ยินได้ฟังมากก็ได้เปรียบคนที่ไม่สนใจไม่ไม่ไม่รักการเรียนรู้ อย่างสายพุทธกาลเขมีพ่อโนนเนี่ยที่เป็นผู้คงแกเรียนจำพระอุสูตรต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ไปประโยชน์ไปบุูรณงเราโดยสามารถนําคําสอนพุทเจ้าเนี่ยจนไปถึงชนรุ่นหลังก็เพราะพ่อโนนเป็นพระอสูตรถ้าพ่อนนไม่ไม่ได้เป็นผู้คงแก่เรียนธรรมะพุทธเจ้าก็คงจะเรียนหายไปแล้วไม่มีใครจาได้หมดหรอกแล้วก็มาข้อจาคะจาระในที่นี้ก็คือความสละออก สละสิ่งของสละทรัพย์ช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทานแต่จากค้าคอที่มีประโยชน์บ้างสื่อคือสละความเห็นแก่ตัวสละอัตตาตัวตนเพราะธรรมะหัวใจก็คือการไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็ไม่เห็นแก่ตัวตรงข้ามกันถ้าใครเห็นแก่ตัวมากคนนั้นก็ไกลจากธรรมะแต่ถ้าใครไม่เห็นแก่ตัวคนนั้นก็เข้าใกล้ธรรมะธรรมะจงอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่การพูดใครพูดหรือก็พูดได้หมดแหละบางทีกิเลสพูด แต่ตัวเองไม่ได้ทําเลยอะไรเงี้ยแล้วมาข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญารู้ว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์สิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์เพราะบางเรื่องบางเรื่องอะไรสาระไม่มีประโยชน์เหมือนกันแต่ปัญญาเนี่ยเรียใช้ได้ทางดับทุกข์อย่างปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้ได้ทางลิขิตสี่คือเ ห, เ, หเห็นเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เห็นวิธีดับทุกข์แล้วก็ทําทุกข์ไปหมดสิน้น แต่ถ้าทางโลกก็แช่ปัญญาในทางในทางหาทรัพย์สมบัติบางคนก็ฉลาดแกมโกงช่อราดบางหลวงก็มีฉนั้นปัญญาต้องแยกแยะบางคนฉลาดในการพ น, นันคดโกงอันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาที่ไม่มประโยชน์ปัญญาไร้สาระปัญญาที่มีประโยชน์ก็คือปัญญาที่สร้างบุญสร้างกุศลทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นอริยทรัพภายในจึงสําคัญกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเราตาย ทรัพย์สมบัติก็ไปของคนอื่นเราไม่สามารถยึดไปได้จะทรัพย์ภายในตีอยู่ติด ต, ตัวเราตลอดไปถึงเราตายไปไม่บรุธรรมมันก็เป็นอุปธิสยัยเป็นเหตุให้เราต้องมาเรียนต่อแต่ละคนที่ไปสั่งสมนิสัยเนี่ยมันจะไ ม, ไม่มีโอกาสมาบวชได้เลยไม่มีโอกาสมาเรียนธรรมะหรือว่าบวชแต่ละคนมีอุปนิสัยเก่าทั้งนั้นแหละถึงได้มาเจอกันจากช่วงนี้ก็มีญาติธรรมชาวจีนก็มาบวช มาปฏิบัติธรรมกุศล ข, ข้าวน้ำํำข้าวทะเลมาแต่บางทีชาวบ้านอยู่ไกล้เนี่ยก็ไม่สนใจธรรมะสนใจแต่วัตถุก็มีประเภทใกล้เกลือกอนด่างบางคนมาขโมยของวัดด้วยซ้ําไปนอกจากไม่มาเรียนธรรมะแล้วทําบาปด้วยซ้ําก็มีมากมายทุกที่แหละคนที่มาศึกษาธรรมะได้ต้องมีบุญเก่ามีอุปนิสัยมีปัญญาปัญญาเนี่ยก็แยกแยะในเรื่องที่ควรไม่ควร อย่าบางครั้งถ้าเรามีปัญญานะเราก็จะเก็บความทุกข์ความเศร้าโศกความแค้นอะไรต่างๆไว้อย่างเมื่อก่อนมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีนยุคสมัยชุนชิวมีเมืองเย่แล้วก็เมืองอู่สองเมืองนี้เป็นคู่อริกันเจ้าเมืองเย่ก็คือโกเจียนเจ้าเมืองอู่ก็คือฟูชัยโกเจี้ยนลบแพ้ฟูชัยแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันคือเป็นเชลยสงคราม ระหว่างที่เป็นตัวกันเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเลี้ยงมา้าบางครั้งก็ถูกให้มาลากรถมาเวลาฟูชายเนี่ยเสด็จไปที่ไหนซึ่งก็สร้างความแค้นให้กับอองโกเจียนมากก็ฝืนทนเอาไว้ตลอดแล้วแกก็ท่องไว้ว่าขอให้ผ่าวันนี้ให้ได้สิบปีล้างแค้นก็ยังไม่สายและคงเคยได้ยินสำนวนนี้ของสุภาษิต จ, จีนก็พยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ อ, องฟูชายเนี่ย ไว้เนื้อเชื่อใจขนาดถึงขนะดาษลงทุนชิมอุจจระช่วงที่องคู้ชายป่วยครั้งที่ซื้อใจกันทําให้องคู้ชายเนี่ยยอมปล่อยกลับเมืองเมืองแย่ถึงปล่อยกลับแล้วแต่ก็ยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองอู๋อยู่ดีขันกลับเมืององโกเจียนก็ไปลืมฟาร์มแค้นที่ถูกหยามถูกอบายศไว้จึงวางแผนล้างแค้นช่วงที่วางแผนล้างแค้นเนี่ยตัวเองไม่มีความสุขเลย เป็เจ้าเมืองแต่เพื่อเตือนตัวเองบ่อยๆจึงไปนอนในคอกม้าแล้วก็นอนกับพื้นกระดานแล้วก็เอาดีขมมาก่อนนอนต้องต้องเลียดีขมทุกครั้งเพื่อไม่ให้ลืมความแค้นวันแล้ววันเล่าบริหารงานก็บริหารในคอกม้าแหละอยู่แบบง่ายๆเพื่อไม่ให้ลืมความแค้นถ้าเกิดอยู่ที่สบายเดี๋ยวลืมผ่านไปสิบปีก็สะสมผู้คนแล้วกวางกลยุทธ์ต่างๆจนสามารถ ไปลบแล้วก็สามารถเอาชนะเมืองอู่ได้แล้วก็บีบให้ อ, องฟูชายเนี่ยฆ่าตัวตายสำเร็จก็เป็นตัวอย่างของความตั้งใจจริงแต่สิบสามปีที่สะสมความแค้นไว้เนี่ยมันก็ยาวนานพอมควรเพราะว่าความโกรธความเกลียดความแค้นเนี่ยมันจะเผาจิตใจตลอดถ้าธรรมะมาจับเนี่ยโกเทียเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยหลังจาก เอาชนะเมืองอู่ได้แล้วยึอดอำนาจได้แล้วเนี่ยตัวเองก็กลับมาสวยสุขทีนี้ก็หาทางกำจัดผู้ช่วยต่างๆออกอีกคือเป็นคนที่เวลาร่วมทุกข์ร่วมได้แต่ร่วมสุขไม่ให้ร่วมอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเจ้านายหลายคนที่เห็นกับตัวไม่ให้ใครมาร่วมสุขกับตนแต่ร่วมทุกข์ร่วมได้ให้คนอื่นไปช่วยให้งานการงานสาเร็จอันนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปถ้าเจ้านายใจกว้างก็เฟื้อเผ่อแผ่ ลูกน้องก็จริงใจแต่ถ้าเจ้านายเห็นแค่ตัวเนี่ยลูกน้องก็หนีหมดเวลาเสวยสุกก็จะเสวยคนเดียวแต่ถ้าเรามีปัญญาแยกแยะเนี่ยเราก็จะไม่เก็บความแค้นเอาไว้เราจะให้อาภายัยให้อาภัยมีความสุข ก, กว่าอย่างเมื่อสองวันก่อนอารมาก็นำนิทานไปลงเฟ e b o o k อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอิสระาที่ใจมีนับโทษชายสามคนติดคุกคนละห้าปีระหว่างที่ติดคุกนั้นก่อนที่แยกขังเดี่ยวเนี่ย ทางผู้คุมก็ให้สิทธิพิเศษให้ทั้งสามคนเนี่ยขออะไรก็ได้ดึงอย่างเพื่อเป็นเพื่อนแก้งเหงาเวลาติดคุกชายคนแรกก็ขอหนังสือกฎหมายเพราะตัวเองชอบกฎหมายชายคนที่สองชอบชอบธรรมะจึงขอหนังสือธรรมะเพื่อมาศึกษาพระธรรมชายคนที่สามติดบุหรี่มากเลยจึงขอบุหรี่ยี่สิบลังการเวลาผ่านไปห้าปีทั้งสามคนก็พ้นโทษชายคนแรก บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไปทํางานได้กฎหมายแล้วก็บอกผู้คุมสบายใจได้ผมจะไม่ทาให้ผิดหวังสีหน้าก็มีความสุขคนที่สองกระดับหนังสือธรรมะและพระรูปเนี่ยมาให้ผู้คุมบอกว่าผมจะไปบวชเพื่อหาศีลธรรมชีวิตสีหน้าก็มีความสุขเช่นกันชายคนที่สามหน้าตาอิดโรยซูบซีดผอมแห้งแล้วก็พูดว่า ขอไฟแช็กขอไฟแช็กหน่อยจะตายอยู่แล้วพวกผู้คุมก็งงสะพังก็อดก็หัวรอกกันล่านเลยหมดเพราะชายเขาที่สารน่ยติดยาแล้วไม่มีไฟแช็กจึงลงแดงคุกขังได้ก็แค่กายแต่ใจขังไม่ได้พระอิสระจึงอยู่ที่ใจทุกสุขก็อยู่ที่ใจอย่างบางคนเนี่ยทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันแล้วก็คือดีกันได้ไวก็มี แต่บางคนเนี่ยพอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยจากจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหรือเป็สิบปียังไม่หายเกลียดไม่หายอาฆาตเลยก็มีไม่อยอมให้อาภายัยอาตมาเนี่ยเจอกับตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตเรื่องเหล่านี้จเจอหลายคนแล้วคนที่ไม่ให้อาภาัยเนี่ยก็จะแค้นไม่มีความสุขเลยพอพูดถึงคนนิจิัยของคึ้นุกสีแต่บางคนเจอใครร่วมเกินเท่าไหร่ก็ให้อาภายัยก็มีความสุขจะตรงข้ามหมดเลย เราสามารถเลือกได้เราจะเลือกความสุขหรือความทุกข์แต่ถ้าเราจะเลือกความทุกข์เนี่ยเราก็หมั่นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ถ้าเราอยากมีความสุขเราก็หมั่นเป็นคนที่ให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็มีเมตตาจิตได้เยอะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนใจแคบเห็นแค่ตัวเนี่ยเห็นแล้วก็อยากได้เนี่ยหรือคิดอิจฉาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะ ม, มีความสุขหรอกชีวิตก็ต้องทุกข์ลาไป แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เห็นหตัวอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นใครได้ได้รับความทุกตกยากหรือสัตว์ต่างๆที่มีความทุกข์เราช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็สุขด้วยช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนนะแต่ถ้าเราไปหวังให้เขามีบุญคุณก็เราเนี่ยอันนั้นมันครั้งอาจจทุกได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ทุกเพราะว่าช่วยคนอื่นแล้วอยากตอบแทนให้เขาตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็ไม่สมบัตินานาก็มี เพราะคนที่เราช่วยเนี่ยเขาอาจจะมองว่าบุญคุณนั้ไม่พอหรอกบางทีเขาอาจจะลืมไปก็มีหรืออาจจะไม่ถึงเวลาที่จะตอบแทนมันต้องมีเหตุปัจจัยด้วยหรือว่าคนที่ใส่เข้าไปแบบนั้นแต่ถ้าเราไปเรียกร้องว่าต้องตอบแทนบุญคุณฉันนะห้ามห้ามมาเนละคุณนะอันนี้เป็นไปนไม่ได้เราทําความดีไว้วันที่เราก็ควรจะลืมช่วยคนอื่นเราควรจะลืมไม่ควรคิดที่จะหวังบุญคุณจากเขาไอ้เขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนนี่ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ก็มีหลายคนเรียกร้องบุญคุณเวลาช่วยอะไรใครไว้พอเขาบางคนนอกจากไม่ตอบแทนบุญคุณกับในละคุณก็มีตอนหลังกลับเป็นศัตรูก็มีอันนี้เห็นจากเจอจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เจอจากคนอื่นมาเห็นมาเยอะนะจากตอนแรกสนิทกันตอนหลังก็เป็นศัตรูกันเพราะอุดมการณ์ต่างกันความเห็นไม่ตรงกันหรือแบ่งฝ่ายกันก็มีอันนี้เห็นมาเยอะมากแต่มีมิตรมี ม, มีดีกว่ามีศัตรู ถ้าเกิดเรามีปัญญาเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะแยกแยะอันไหนควรไม่ควรเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรซะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเห็นกระตัวเราก็สร้างอุปสรรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาเป็นสี่เรื่อยๆมองไปทางไหนก็มีศัตรูนักๆเข้าก็ไม่มีใครรักเราเลยที่จิตไม่ไจะปรุงแต่งแล้วใครจะคิดไงกับเราไหมเนาะอะไรเงี้ยไปเรือเ่อยเปืยทําไมไม่มีใครรักเราเลยอันนี้เป็นเลยมากคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ เวลาเรามาพูดธรรมะให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยผู้ส่วนตัวนะไม่ได้พูดแบบนี้อย่างเนี้ยก็จะบอกให้เขาเนี่ยอย่าไปเรียกร้องอะไรจากคนอื่นเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีไม่มีใครสามารถเป็นเป็นแรงใจเราได้หรอกทุกคนจะมีกิเลสอุปวิสัยแตกต่างกันแม้ตัวเราเองเนี่ยบางทียังสอนไม่ค่อยจะได้เลยถ้าไม่ยังเป็นอย่าไปสอนคนอื่นหรืออยากให้เขาเป็นแังใจเราเร า, าต้องทุกข์แน่นอนแล้วก็เป็นจริงที่อาพูดเพราะว่าบางคนเนี่ยเราไปเรียกร้องจากคนอื่นให้เป็นอย่า ง, างนูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย แล้วเขาไม่ได้เป็นกำลังใจเราเราก็จะทุบแล้วกเกิดปัญหาขัดแยง้งคนนี้ก็นิสัยเป็นอย่างนี้คนนี้ก็นิสัยเป็นอย่างนั้นเพราะเขาสั่งสมมาไม่เหมือนกันเราเราเองคือฝ่ายต้องปรับตัวนะปรับตัวเพื่อ ก, กรมคืเหลือวเขาไม่ใช่ให้เขาปรับตัวมาหาเราถ้าเราปรับตัวเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นภาพอยู่วัดไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีอัตตาเยอะไปอยู่วัดไหนก็จะเขาวัดแนละ้วปรับตัวมาหาเราอันนี้อยู่ไหนก็ลำบากเราต้องแบกโลโก้อะไรเยอะแยะหมดถ้าเราเข้าใจเรื่องอัตตาเนี่ย เราก็จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไปหนึ่งไปถึงที่ไหนก็ยกบุญไหว้ไหว้กูยอยู่ก่อนต่อให้ภาษาโน้ตกว่าเราก็ไหว้แต่ถ้าเกิดเรามีอัตราสูงเนี่ยเราก็ไม่อยากทักทายใครหญิงยโสบางทีคิดว่าเรารู้ทุ่แล้วอะไรเงี้ยพอความคิดตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยอัตราเข้าบอกแฝงปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่รักเราไปอยู่ไหนคูก็รังเกียจสังเกตคนที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคนที่หญิงยโสเนี่ยไม่มีใครรักหรอกคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไปไหนใครก็รักเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ บางครั้งคนปฏ บ, บัติทำความคิดก็หลอกนะหลอกว่าไม่รู้ธทำแล้วเห็นทำแล้วแล้วก็ดูถูกภาพเปสามากกว่าว่าเขาไม่รู้ทำโง่มั่งอะไรมั่งก็เคยมีแต่จริงไม่ใช่คนที่รู้ทำจริงจะอ่อนน้อมถ่อมตนม่ยโสหังจะนับถือตอนเองนับถือคนอื่นก็มีเยอะเราสามารถเช็คได้เรามีความโกรธไหมมีความอยากไหมมีอะไรเยอะแยะหมดอะ่ะเพราะถ้าคนไม่รู้ทำ แต่เชื่อตัวบรรลุธรรมเนี่ยบางทีเราก็จะอวดให้คนยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นสงฆ์ดานนะเป็นสักกิทาคามีนะถึงนิพพานแล้วนะบางทีเถียงคอไปเอ็ก็มีหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านธรรมะเห็นใครก็อยากสอนอะไรเงี้ยบางทีก็ครูบาจารกก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้บางคนก็ถ้ามีอัตตาเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นตลอดชีวิตเลยแหละคือไม่ปกติคือจะเชื่อวเตเห็นรธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเห็นใครอยากสอนไม ห, หมดแหละคือความรู้มันกระชอก เราจะเห็นได้ทั่วไปในวัดปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคือความปกติความที่ใช้ชีวิตธรรมดาแหละไม่ได้เป็ น, นอะไรกับอะไรไม่ใช่เป็นอริยบุคคลอัตมาก็เคยพูดไว้ที่ประชุมสงฆ์ว่าในวัดนี้แล้วใครเป็นอริยบุคคลอัตมาจะไม่ครบใครคิดว่าตัวเองเป็นสารบานเราก็เลิกครบแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอัตมาก็พูดไว้จริงเพราะครบไปได้เพราะว่าแบ่งช้นรรณะอริยบุคคลจริงๆอัตนะมาครบนะ แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นอายาบุคคลไมไม่ครบเลยไม่เป็นใครก็ตามในวัดนี้ครบไปก็ปวดหัวมีเรื่องหน้าเอือมลนาอาหน้าเบื่อสู้คนธรรมดาไม่ได้อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติธรรมเนี่ยมีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์มีมีศรัทธามีศีลมีฮิลิมีโอตระปามีพระอุสัจจะมีจาระมีปัญญาขอให้เกิดขึ้นกับทุกคนจะช้าเร็ว